นี่ย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าเนีถามว่าพระองค์รู้ความจริงใช่ไหมบอกใช่แล้วพระองค์เป็นผู้ที่สอนความจริงใช่ไหมใช่เป้าหมายของการประกาศความจริงของพระพุทธเจ้าคืออะไรบอกว่าเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานก็คือเพื่อให้พ้นจากความจริงบางอย่างนะสัจจะมีสี่ใช่ไหมคือความจริงมีสี่ความจริงคือทุก์ความจริงคือสมุทัยความจริงคือนิโรธความจริงคือมรรคเนี่ยนะทุกข์ ทุกขสมุทยัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธทข า, ทขามินีปฏิปทาความจริงคือกองทุกขพระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดรอบรู้ให้วิจัยเลือกเฟ้นพิจารณาใกล้ครัวให้ทีท่วนว่าทุกข์นี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขสมุทัยตัณหามันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหรอกมันเกิดที่ทุกนั่นแหละมันเกิดที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั่นแหละแล้วรูปตัณหานั่นแหละเป็นเหตุสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งตันหาอีกครั้งหนึ่งถามว่าเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้เนี่ยนะเอามาจากไหนก็เอามาจากต้นไม้ต้นไม้เอามาจากไหนก็เอามาจากเมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้เมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้เอามาจากไหนก็เอามาจากต้นไม้แล้วต้นไม้มาเอาจากไหนก็เมล็ดพันธุ์ก็บอกเอามาตอนกิ่งอ่ะไอตอนกิ่งมันก็มากิ่งก็มาจากไหนก็มาจากต้นไม้ต้นไม้มาจากไหนก็มาจากเมล็ดเมล็ดมาจากไหน สังสารวัฏเนี่ยนะตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อ่ะมันก็เหมือนกับวิญญาณท่านบอกว่าเมล็ดพันธุ์ยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดพันธุ์นั่นแหละคือตัณหาที่เพาะขึ้นอาศัยกรรมเป็นต้นเนี่ยนะที่เปรียบเหมือนผืนแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เพาะปลูกชีวิตก็ไหลไปในสังสารวัฏไม่มีที่จบสิน้นแต่ถ้าตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยน ะ, อ, ะอริยมรรคในข้อปฏิบัติที่ทําให้ยางคือตัณหานี่มันเล่าร้อน ถ้าทําเมล็ดพันธุ์ให้สุกเช่นเอาไปขั่วเอาไปตัดเอาไปาทําลายเมล็ดพันธุ์ซะมันก็เพาะขันห้าต่อไปไม่ขึ้นทีนี้ไอาการที่จะเพาะอย่างนั้นได้ทํำยังไงอะไรจะทั้งทําอย่างไรฉันใดก็ดีเราต้นไม้ของพวกเราทั้งหลายคือชราและมรณะเนี่ยนะเพาะเมล็ดพันธุ์เอาไว้ทั้งโดยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทั้งโดยตัณหาพร้อมที่จะเพาะในเพาะให้ขึ้นในวะะัฏฏะ ได้ในทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะที่ไหนเพาะไม่ขึ้นเนี่ยมาถามเออลองคุยกันดูว่าไม่มีที่ไหนที่เพาะปลูกไม่ขึ้นอะ น, นะเพาะขึ้นได้หมดแต่นในวัตตะแต่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายในกาลมาพบโดยมากก็เพาะงอกในกาลมาพบนี่แหละสัตว์ที่อยู่ในอบายโดยมากกวงอกอยู่ในอบายสัตว์ที่เป็นมนุษย์ไม่แน่ว่าจะกลับมางอกในมนุษย์อีกต่อไปหรือเปล่าว่าตัวเองไปฝังปฏิสนธิจิตในมดลูกสําเร็จหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะอะ น, นะ ว่าตัวเองเนี่ยสามารถฝังปฏิสนธิจิตของตัวเองในในขันของสัตว์เหล่าอื่นได้ไหมถ้ามนุษย์ทั้งหลายในยุคใหม่ก็คือเป็นพวกชลาพุชะกําเนิดเกิดในขันถ้าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ทํายังไงที่จะฝังจิตในในอะไรในมดลูปสําเร็จถ้าไปฝังจิตโดยอาศัยองค์ประกอบทางรูปกายเนี่ยนะสำเร็จก็ปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษย์ต่อไปได้แต่ถามว่าฝังตัวเป็นมนุษย์กับฝังในไข่อันไหนจะง่ายกกัน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 นั่นแหละความเกิดแม้ความเกิดมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่เกิดจะเป็นอย่างนั้นไหมนั่นก็คือความทุกข์แล้วจิตของเราเนี่ยพ้นจากการเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้ไหมเอาอะไรมารับรองไข่ใบนี้ก็สวยไก่ตัวนี้ก็งามห่านตัวนี้หงส์ตัวนี้เอคิดไปเนี่ยนะจิตเหล่านั้นน่ะนำเกิดได้ไหมได้ทั้งนั้น เ, นเชื่อไหมยื่อใหญ่ที่เพาะปลูกได้ทุกที่เนั่น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 ยากที่จะออกจากวัฏตทุก์ได้สําเร็จเช่นเห็นคนเกิดเนี่ยนะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นอะไรทั้งหลายเหล่าเนี้ถ้าเราเจริญเป็นศีลสมาธิปัญญามไม่สําเร็จยอมว่าจะพ้นจากทุกได้สําเร็จไหมไม่สําเร็จแน่นอนเพราะฉะนัที่โครจรของสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือในขันห้าสมถะทั้งหลายก็เวียนไปตามขันต่างๆวิปัสสนาทั้งหลายก็เวียนไปตามขันต่างๆงั้ง น, ข, นขันจึงเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนา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 เราจะเห็นความเบียดเบียนของของตัวทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยขนาดไหนมั้นมาเรียนมหาปรินญพานสูต ร, รเนี่ยทำให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ถูกขันเนี่ยเบียดเบียนมหาศาล น, นะถูกขันเนี่ยเบียดเบียนมากขันธมานว่ากันขันธรรมานี่เบียดเบียนพระพุทธเจ้าจนถึงขนาดว่าทั้งป่วยทั้งไข้เดี๋ยวก็ค่อยๆกล่าวต่อไปขณะเดียวกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นจากอะไรนะเป็นผู้มีสริระ สุดท้ายทิ้งขันอันนี้แล้วพระองค์ไม่ถือขันอีนอกต่อไปเลยพันธ์พระองค์ทิ้งกองทุกเหล่านี้เมื่อ2547ปีพระองค์ไม่เคยถือเอาทุกข์อีกต่อไปตั้งแต่ บ, บัตรนี้ต่อไปอีกวันเวลาในอนาคตอีกจะเนิ่นนานขนาดไหนพระองค์จะไม่ถือเอากองทุกขเหล่าใหม่กองทุกใดใดใหม่ๆอีกต่อไปเลยทิ้งขันห้าแล้วไม่ถือเอาขันอีกต่อไปทิ้งอายตนะแล้วไม่ถือเอา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 อโมหะยาสัยเนี่ยแปลว่าอาโมหะบวกอัธยาศัยอโมหะแปลว่าความไม่งูเขาความฉลาดสติปัญญาปลูกฝังอัธยาสัยแห่งคนที่มีสติปัญญาปลูกฝังอัธยาศัยที่จะรู้ความจริงโดยเฉพาะความจริงที่สูงสุดคืออริยสัจต้องมีใจอันนั้นจึงจะบรรลุได้ถ้าไม่มีใจอย่างนั้นจริงเนี่ยนะบรรลุไม่ได้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 นนะเพราะเขามีอัธยาศัยสังสมมาที่จะเห็นอริยสัจอย่างชาตินี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอัธยาศัยจิตใจจดจอ่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อเห็นอริยสัจใครก็ช่วยให้เรารู้อริยสัจไม่ได้เราถามว่าทำไมเพราะไม่อยากเห็นถ้าไม่อยากเห็นไม่มีใครช่วยได้ถ้าใครไม่มีอัธยาศัยแห่งศีลช่วยให้เขามีศีลไม่ได้ถ้าใครไม่มีอัธยาศัยแห่ง สมาธิหรืออโลภะเนี่ยนะเราช่วยส่งเสริมให้เขาเกิดอะโลภะไม่ได้เลยถ้าเขาไม่มีอัธยาศัยแห่งปัญญาก็ช่วยให้เขาเกิดปัญญาไม่ได้เต่นะเพราะคำพูดที่ปรารบอะโลภะคนมีโลภะมากไม่ชอบคำพูดที่ปรารบอโทสะคนมักโกรธไม่ชอบคำพูดที่ปรารบอะโมหะความไม่ลุ่มหลงคนมีโมหะไม่ชอบ คำผู้ที่ปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบคำผู้ที่ปรารบสมถะหรือสมาธิคนฟุง้งซ่านไม่ชอบคำผู้ที่ปราลบปัญญาคนโง่เขลาไม่ชอบคนที่ปฏิบัติเพื่อไปสู่วัตฏะคำบอกกล่าวแนะนําเรื่องวิวัตะเข้าไม่ชอบเนี่ยนะเขาไม่ต้องการที่เขาไม่ต้องการเพราะเขาไม่มีอัยาศัยนี่ตั้งคําถามว่าเอาแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าเรามีอัยาศัยจะรู้ได้หรือไม่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 อันนี้บางคนบอกไม่ิงอเถียงเลยหรอไม่จริงรยเสื้อผ้ามันจะไปดีกว่าอริยสัตว์ได้ยังไงอันนี้ก็อันนี้ใช่แต่มีหลายๆครั้งที่เราจับผ้าเราเคยเห็นคิดถึงอริยสัตว์บ้างไหมถ้าอริยสัตว์ดีจริงเราต้องคิดอริยสัตว์มากกว่าคิดถึงเสื้อผ้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอย่าจับเสื้อผ้าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่หมายเขาว่าเมื่อมีคิดถึงเสื้อผ้าแล้ว เ, เห็นอริยสัตว์อยู่ตรงนั้นด้วยไหมอ้าว เราก็ไม่คิดถึงอริยสัจบอกว่าุชอบอริยสัจเหลือเกินแต่คิดถึงอริยสัจแทบไม่มีเลยอย่างเงี้ยนะอริยสัจดีเหลือเกินแต่บอกว่าถ้าคนที่เรียนอริยสัจมาดีเนี่ยนะเห็นอะไรคิดอะไรมันจะเห็นอริยสัจอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยแม้แต่อ่านพระไตรปิฎกมันจะเห็นอริยสัจพูดถึงใครเอาเขาไม่ใช่ทุกข์ัตริย์หรือเขาไม่ใช่อุปาทานขันห้าหรือเขาไม่เกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นหรือ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 คนขับรถบอกยอมไอ้ที่ทำทำอยู่เนี่ยเขามาเห็นผลสองประการอ น, นะต้องการกำไรสองประการเนี่ยจึงทำอยู่เหมือนทุกวันเนี่ยบอกสองประการคืออะไรหนึ่งถ้าคนที่เขามีบุญวาสนาเขาสั่งสมมาในอดีต ด, ดีเขาจะได้เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะได้รู้เห็นและบรรลุตามพระพุทธเจ้า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 หยอดเสร็จแล้วก็เอาเวลาที่เหลือไปคิดเรื่องอื่นที่ดินผืนที่แปลงเพาะที่เพาะปลูกมเมล็ดลงไปก็ไม่ต้องสนใจทั้งกันน่ะขอให้เพาะเมล็ดพันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันพยายามทำยังไงว่าให้คนเนี่ยมีอัธยาศัยที่จะรู้อริยศาสตร์อีกห้าล้านชาติข้างหน้าก็กรอได้วหมือนนเเพราะยังไงเขาก็อยู่ในวัตะอยู่แล้วเชื่อเนี่ยนะนไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะ ก็เฝ้าวัตตะเขาบอกว่าความจริงที่จะทําให้พ้นทุกข์มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคืออริยสัจจะรู้อย่างอื่นยังไงมันก็ไม่พ้นทุกข์รู้อย่างอื่นแล้วเบื้องต้นสุขแต่ว่านํามาซึ่งความทุกข์รู้ความจริงแล้วพ้นจากทุกข์มันมีอย่างเดียวคือรู้อริยสัจเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าเขาไม่มีอทายาสัยที่จะรู้อริยสัจยังไงเขาก็ไม่พ้นจากทุกข์อยู่แล้วละ่ะเพรา ะ, ะนั่นอันนี้รับรองได้เลยและเอาอะไรมารับรองว่าคุณพ้นทุกข์ถ้าไม่รู้เห็นอริยสัจเรานั้นความรู้เห็นททีีี่จะพ้้นุกไดดมอยงเวคื เป็นอริยสัต